สมถตญานิแปลว่าผู้มีสมถะเป็นญาณญาณในที่นี้สะกดด้วยย อ, อยากนะครับหมายถึงผู้บำเพ็ญสมถะก่อนแล้วจึงจเจริญวิปัสสนาทีหลังตามความหมายอย่างกว้างสมถะที่บำเพ็ญก่อนนั้นอาจได้เพียงอุปจารสมาธิหรือก้าวไปถึงอัปปนาสมาธิ ได้ฌานสมาบัติก็ได้แต่อัตถกถานิยมใช้ในความหมายที่จำกัดหรือเฉพาะกว่านั้นคือมุ่งเอาเฉพาะผู้ได้ฌานสมาบัติแล้วดังนั้นจึงได้กล่าวว่าวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน์ ท, ที่นำมาอ้างไว้ในตอนต้นเกี่ยวกับการบรรลุอาสวะไขอาศัยปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานก็ได้เป็นต้น เป็นปฏิปทาของพระสมถียานิกวิปาาัสสนาญาณิกแปลว่าผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณเรียกเต็มเพื่อย้ำความหมายให้หนักแน่นว่าสุท่วิปาาัสสนาญาณิกแปลว่าผู้มีวิปัสสนาล้วนเป็นญาณ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 ในชีวิตประจำวันคนทั่วๆไปยอมได้คณิกะสมาธิกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยในโอกาสที่จิตใจสงบหรือแน่วแน่แนด้วยการงานหรือเหตุแวดล้อมบางอย่างดังนั้นแม้จะเคยได้คณิกะสมาธิมาแล้วด้วยเหตุอันวยต่างๆเช่นพื้นจิตดีเป็นต้นก็ถือว่ารวมอยู่ในจาพวกผู้ไม่เคยฝึกเจริญสมาธิมาก่อนเหมือนกัน เมื่อผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกเจริญวิปัสสนาต่อไปสมาธิก็พลอได้รับการฝึกอบรมไปด้วยถึงตอนนี้อาจเจริญวิปัสสนาด้วยอุปจาราสมาธิก็ได้คือสมาธิจวนจะแน่วแน่หรือสมาธิจวนจะถึงฌานจนในที่สุดเมื่อถึงขณะที่บรรลุมากผลสมาธินั้นก็จะแน่วแน่แนสนิทเป็นอัปปนาสมาธิ อย่างน้อยถึงระดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งหรือรูปฌานที่หนึ่งเป็นอันสอดคล้องกับหลักที่แสดงไว้แล้วว่าผู้บรรลุอริยภูมิจะต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาครบทั้งสองทั่วกันทุกบุคคลคำว่าสมถียานิก วิปัสนาญานิกสุทธาวิปัสนาญานิกสุขาวิปัสสกะแปลว่าผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแลง้งเพราะไม่ได้ฌานมาก่อนเจริญวิปัสนาเป็นคำเนชันอัรถกถาทั้งนั้นพระสมถญาณิกเมื่อสาเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจัดแยกเป็นสองประเภท คือพระปัญญาวิมุตติและพระอุปัโตภาคาวิมุตตท่านที่ได้ฌานสมาบัติเพียงชานรูปฌานคือไม่เกินจตุตถาฌานเป็นปัญญาวิมุตตท่านที่ได้อรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดถึงได้สัญญาเวทายตานิโรธเป็นอุปัโตภาคาวิมุตตส่วนพระวิปัสสนาญาณิก เป็นพระอระหันต์ได้แต่ประเภทปัญญาวิมุตย์อย่างเดียวและในชั้นอัตถกถาท่านบรรดาชื่อให้เป็นพิเศษเรียกว่าพระสุขวิปัสสกะเป็นอันดับสุดท้ายในหมู่พระปัญญาวิมุตย์โดยในย่านี้พระอัตถกถาาจารย์จัดแบ่งพระอระหันต์ออกไปเป็นสิบประเภทเป็นพระอุพโตภาคาวิมุตห้าพระปัญญาวิมุตห้า จัดเรียงจากสูงลงไปดังนี้อันดับที่หนึ่งถึงเก้าเป็นสมถยานิกอันดับที่สิบเป็นวิปัสนาญาิกหรือสุดท้าวิปัสนาญานิกพระอุปัโตภาคาวิมุตติหนึ่งพระอุปโตภาคาวิมุตติผู้ได้สัญญาเวทายตานิโรธ สพระอุปโตภาคาวิมุตตผู้ได้เนวะสัญญาณสัญญาญตนาสมาบัติ 3. พระอุปโตภาคาวิมุตตผู้ได้อากินสัญญายาตนาสมาบัติ 4. ีพระอุปโตภาคาวิมุตตผู้ได้วิญญาณัญจายาตนาสมาบัติ 5. พระอุปโตภาคาวิมุตต ผู้ได้อาก enfin. าสานัญญาตนาสมาบัติพระปัญญาวิมุตติหกพระปัญญาวิมุตติผู้ได้จตุกทถาฌาน 7. จ็ดระปัญญาวิมุตติผู้ได้ตต <Today>, ิยะาน 8. ปดพระปัญญาวิมุตติผู้ได้ทุติยะาน9ก้าปัญญาวิมุตติผู้ได้ปฐมฌาน คือได้ก่อนทำวิปัสนาและสิบพระปัญญาวิมุตต์ผู้เป็นสุขวิปัสสกะคือพระวิปาาัสนาญาณิสำหรับพระอุปโตภาคาวิมุตตดูความหมายและคำอธิบายในตอนว่าด้วยประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานในบทก่อนสำหรับพระอุปโตภาคาวิมุตต์อย่างที่หนึ่ง คือผู้ได้สัญญาเวทายตาเนโรดนั้นพึงทราบว่าสมบัติสูงสุดข้อนี้พึงได้เมื่อเป็นพระอนาคามีไม่เหมือนสมบัติข้ออื่นทั้งหมดซึ่งอาจได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติทั้งนี้เพราะสมบัติแปดอย่างแรกเป็นผลของสมถะอย่างเดียวส่วนสัญญาเวทายตานิโรดเป็นผลของสมถะและวิปัสสนาร่วมกัน เฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยกำลังสมถะที่บริบูรณ์คือสมาธิที่บริสุทธิ์มีกำลังเต็มที่ไม่มีเชื้อกามชันทะที่จะรบกวนได้กามชันทะก็คือกามราคะเป็นสังโยชน์ที่พระอนาคามีขึ้นไปจึงจะละได้ดังนี้จึงมีแต่พระอนาคามีและพระอรหรันต